อะไรเล่าเป็นรถยังประโยชน์ให้สำเร็จกว่ารถทั้งหลายนักปราทั้งหลายได้กล่าวชีวิตของบุคคลเป็นอยู่อย่างไรว่าประเสริฐที่สุดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบด้วยพระคถ า, าว่าศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องเปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดของบุรุษในโลกนี้ธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้ สัจจะเลเป็นรถยังประโยชน์ให้สําเร็จกว่ารถทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐที่สุดข้อความตรงนี้เราก็มาฟังข้อความในอัตถกถาท่านอธิบายให้ฟังซึ่งเป็นข้อความที่ไพเราะมากอล้วกยักษ์วัทูลถามปัญหาสีข้อเหล่านี้นะทบทวนปัญหาอีกครั้งว่าอะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดของบุรุษในโลก อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติดีแล้วนําความสุขมาให้อะไรเล่าเป็นรถอย่างประโยชน์ให้สําเร็จกว่ารถทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายได้กล่าวชีวิตของบุคคลเป็นอยู่อย่างไรว่าประเสริฐที่สุดอย่างเงี้ยในคาถานี้คือและอีกอย่างหนึ่งข้อความในอัตถกถานะแนะนำวิธีการแปลพระพุทธพจน์ด้วยใช่ไหมเอ๊ะทำไมซ้ําๆกันคือในพระพุทธพจน์ที่เป็นภาษาบาลีนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ยังไม่ได้ ดูอัลกถาก่อนไปแปลเนี่ยเปอร์เซนที่จะผิดเป็นอย่างอื่นเนี่ยมีมากเพราะฉะนั้นท่านก็แนะแนวการแปลให้ด้วยถามว่าคาถาเหล่านี้เนี่ยมายังไงว่า ง, งั้นก็คือเป็นคาถาที่พ่อแม่ของอลาวกายักเนี่ยไปเรียนในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสปะ8ดข้อก็เรียนทั้งคำถามและคำตอบเสร็จแล้วสมัยนั้นอลวก ย, กยักยังเด็กอยู่ก็สอนคาถานี้ทั้ง คำถามทั้งคําตอบให้อลวะกยักษทีนี้นานๆเข้าอลวะกายักเนี่ยก็ลืมคําตอบจําได้แต่คําถามก็เลยไปเอาแผ่นชาติมาอันหนึ่งก็มาเขียนคําถามไว้ด้วยแผ่นทองคํามาไว้เดี๋ยวกันลืม <c oughs> ก็มาเขียนไว้เพราะฉะนั้นเขาก็อาศัยคาถาเหล่านี้นี่แหละถ้าพระพุทธเจ้าตอบไม่ได้ก็จะหาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนกันเถอะซึ่งในคาถานั้นพระองค์ได้ตอบมียธิบายว่าทรัพย์เป็นเครื่องปลื้มใจอันมีเงินและทองเป็นต้น ย่อมนํามาซึ่งอุปโภคกระรกสุกใช่ไหมเงินทองนี้สามารถที่จะให้ความสุขได้นะอุปโภคสุกอุปโภคนี้แปลว่าการใช้สอยการบริโภคเนี่ยถ้าหากว่าคนที่มีเงินมีทองจะบริโภคอะไรก็ได้สมความนึกคิดใช่ไหมก็จะมีความสุขก็เรียกว่าสุขของคนมีทรัพย์อย่างหนึ่งก็คือสุขในการใช้สอยทรัพย์นั่นแหละ อันคนที่มีทรัพย์ถ้าไม่เป็นนี่ส่วนใหญ่ก็จะมีความสุขเวลานึกถึงเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่วิตกกังวลเพราะฉะนั้นไอ้ทรัพย์คือเงินทองเป็นต้นเนี่ยย่อมป้องกันทุกขมีความหิวกระหายเป็นต้นแล้วก็ย่อมยังความยากจนนั่นแหลให้สงบเป็นเหตุแห่งการได้มาซึ่งรัตนะมีแก้วมุกดาเป็นต้นและย่อมนํามาซึ่งโลภยสุขฉันใดใช่ไหมเงินทองเนี่ยโอ้ยอะไรที่จะ ความสุขในโลกทั่วไปที่จะมากกว่าเงินทองนะสำหรับความปรารถนาของคนทั่วไปเนี่ยหายากและวั้นเงินทองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นคนจะทําดีทําชั่วทําสารพัดก็เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินและทองเขาเชื่อว่าแต่เขาเชื่อว่าถ้าได้เงินและทองแล้วเขามีความสุขนะเพราะคนทุกวันนี้ก็เลยกิจกรรมใดที่เป็นไปเพื่อให้ได้เงินมากทองมากเขาก็จะสแสวงหาหรือไปทํากิจกรรมนั้นนั้น ก็บอกว่าเหมือนกับนักเรียนสมัยใหม่ก็บอกว่าการเรียนสายไหนที่มันได้เงินเดือนแพงคนจะไปเรียนวิชานั้นเนี่ยมากนั่นแหละเพราะเขาต้องการจริงๆแล้วต้องการเงินและทองซะส่วนใหญ่เพราะถือว่าเงินทองนั้นให้ความสุขทั่วไปในโลกนี้แม้ศรัทธาที่เป็นโลกิยะและโลกุตระก็ฉะนั้นเหมือนกันนะเมื่อเทียบกับเงินทองทั่วไปเนี่ยศรัทธานี่ก็ ฉะ น, นั้นเหมือนกันนั่นแหละย่อมนำมาซึ่งวิบากสุขอันเป็นโลกยะวิบากสุขที่เป็นโลกยะเช่นมหาวิบากมีกี่ดวงวิบากสุขนะก็คือมหาวิบากจิตแปดซึ่งเป็นผลของมหากุศลแล้วต่อไปอีกกรูปาวจรชานวิบากมีกี่ดวงมีห้าดวงนะนี่ก็ให้ผลเป็นความสุขและต่อไปอีกอรูปาวจรวิบากมีอีกสี่ดวง เพราะฉะนั้นไอ้วิบากเหล่านั้นจะมีได้ก็มาจากศรัทธามาจากศรัทธาแล้วก็เป็นปัจจัยให้ได้รับวิบากที่เป็นโลกุตระด้วยวิบากที่เป็นโลกุตระก็คือผ ล, ลจิตทั้งสี่ดวงสิ่งเหล่านี้ก็มาจากศรัทธาเพราะฉะนั้นศรัทธานั้นเป็นเครื่องป้องกันทุกข์มีชาติชราเป็นต้นแก่ผู้ปฏิบัติด้วยทุระคือศรัทธา เคนะยได้ยินนะถ้าหากว่าผู้ที่ประกอบไปด้วยธรรมะห้าอย่างสามารถที่จะปรารถนาสิ่งใดก็สำเร็จสมความปรารถนาได้ธรรมะห้าอย่างนั้นก็คือ 1. ศรัทธาสศีล 3. ส, สุตตะ 4. จาระ 5. ปัญญาเพราะฉะนั้นตรงนี้ยกศรัทธาขึ้นมาอันเดียวก็เท่ากับที่เหลือก็พูดด้วยเหมือนกัน <laughs> แต่ว่ายกศรัทธาขึ้นมาหนึ่งอันให้เด่นชัดเ น, น หมายความว่าถ้ามีธรรมะห้าประการนี้อยู่ในตัวเราเนี่ยปรารถนาะอะไรเนี่ยก็ได้เจแม้ว่าจะปราถนาเป็นในเรื่องลาบยศเสน เ, เงินทองได้หมดได้หมดเลยไม่ว่าปราถนามนุษย์สมบัติหรือสวรรค์สมบัติหรือปราถนาเทวดาเป็นเทวดาแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็บอกว่าโดยที่สุดปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สําเร็จ โรอันนี้น่าสนใจเนาะแต่ว่าต้องมีศรัทธาอันดับแรกนะมีศรัทธาที่จะสมาทานบารมีทั้งสิบขอ้อกับนะัทธาถ้าสมมติถปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหนึ่งต้องมีศรัทธาที่จะสมาทานบารมีทั้งสามสิบทัศตั้งใจไปเลยหนึ่งถ้าจะให้ทานจะให้เหมือนหม้อคว่ำแล้วไม่คิดเสียดายด้วยจะรักษาศีเนี่อรักษาเสมอด้วยชีวิตนะแนวความคิดมีศรัทธาที่จะปฏิบัติตามนี้แหละเป็นผู้ที่ อ่นนะเรียก ว, ว่าปรารถนาเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสําเร็จว่า ง, งั้นหลังของเราเนี้ถ้ามีศรัทธาที่จะศึกษาพระธรรมคําคสอนนะั้นแล้วปฏิบัติตามเนี่ยโอ้มผลจะไปไหนเนอะนะพุทธเจ้าแสดงมรรคผลก็เพื่อให้พวกเรานั่นแหละอถ้าพวกเรามีศรัทธาที่จะศึกษาและปฏิบัติตามยังไงก็ต้องสําเร็จอยู่แล้วอะ่ะถ้ามีศรัทธานะถ้ามีห้าอย่างเนี่ยพวกเราจะปรารถนาไปเกิดเป็นเทพพิดาก็าได้ใช่ไหมครับเจริญทานน่าสนใจเนาะ ถ้ามีศรัทธาแล้วเดี๋ยวปัญญาก็เกิดเองถามมายังไงก็ฟังไปเรื่อยอ่านไปเรื่อยศึกษาไปเรื่อยเดี๋ยวความเข้าใจมันก็เกิดเองนั่นแหละเดี๋ยวลองค่อยๆไล่สักทีดีครับพวกผมอยากจะมีอย่างนั้นนะ่ะผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะมีนะ่ะเจ้าค่ะ อ, อันดับแรกศรัทธาใช่ไหมศรัทธาคือกรรมสกตาศรัทธาหรื อ, อตถาคตโพธิศรัทธาก็คือศรัทธาในเรื่องของกุศลกรรมว่ากุศลกรรมนั้น เป็นธรรมะที่มีผลจริงๆ แ, แสดงว่าศรัทธาเนี่ยเป็นเรื่องของโสภณธรรมใช่ไหมครับเจริญพรเป็นโสภณธรรมแล้วก็เป็นศรัทธาที่เป็นไปในในเรื่องของกรรมจริงๆว่าบุคคลเมื่อบำเพ็ญเหตุในลักษณะนี้เนี่ยผลอย่างนี้ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงมีศรัทธาที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติในข้อวัดอันนั้นอะ่ะเพื่อให้สําเร็จผลอันนั้นขึ้นอันดับแรกว่าศรัทธาหรือฉันทะนี่ใกล้ๆกัน ก็ศรัทธาในพระรัตนตรัยนี่ก็พวกเราก็มีอยู่แล้วเจนพานแล้วจะมีศรัทธาอะไรครับศรัทธาที่จะทํากุศลนั้นนั่นศรัทธาที่จะทำกุศลเจนพานถ้าหากว่าปรารถนาที่จะเป็นเทวดาเป็นต้นเนี่ยต้องมีศรัทธาที่จะสมาทานกุศลกรรมบท10ประการถ้ามีศรัทธาในพรมโลกคือคือศรัทธาอยากไปพรมโลกก็มีศรัทธาที่จะสมาทานประพฤติพรหมวิหารทั้งสี่ น, นี่คือศรัทธาที่จะหนึ่งนะศรัทธาในพระพุทธเจ้าผู้สอนแนวทางอันนี้สศรัทธาในหนทางคือการปฏิบัติอันนี้นะคือถ้ า, ถาอยากเป็นเทวดาก็ศรัทธาที่จะปรัพฤติหิริโอตตะศรัทธาที่จะเจริญในหิริโอตตะว่าการเจริญหิริโอตตานั้นอ่ะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปสู่เทวโลกได้หรือมีศรัทธาตั้งมั่นว่าพรหมวิหารถ้าเราปฏิบัติมากๆากเนี่ยยังไงเราต้องเป็นพรหม มีศรัทธาในลักษณะนี้เรียกว่าหนึ่งะข้อหนึ่งเรียกว่าศรัทธาเรียกว่าธ้ามีศรัทธาแล้วก็หมายความว่ามีความเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นได้จนพอเนี่ยจะเรียกว่าชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วครับตอนนี้ต่อไปแล้วครับศีลนะครับศีลเพราะฉะนั้นอ่าเรียกว่าความประบพืชเนี่ยศีลก็เป็นเรื่องของความประพฤติความประพฤติที่เหมาะสมกับเรื่องที่เราศรัทธาไหมไหมศรัทธาที่จะเป็นเทวดาหรือศรัทธาในที่จะเกิดเป็นพรหมหรือว่าศรัทธาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพาน ความประพฤติของเราเนี่ยสมควรกับเรื่องนั้นหรือยังเพราะศีลเป็นเรื่องของจรณะเป็นเรื่องของความประพฤติต่อไปศีล ส, ส, สุตตะ ส, สุตสตะเนี่ยนะเรียกความรู้พอไหมนนะมีศรัทธ<อ>าใช้ได้แล้วศีลความประพฤติต่อไปเครียกว่าสุตตะก็คือรู้เรื่องนั้นดีดีพอไหมเรียกว่ามือถึงหรือเปล่าอย่างนั้น หมายว่ารอบรู้ในเรื่องนั้นอย่างดีหรือเปล่าหมาย<ะ>ว่าถ้าเราอยากจะไปไปปฏิสนธิเป็นเทวดาเลยก็<อ>ต้องรอบรู้หมดใช่ไหมครับว่าคุณธรรมของเทวดาเป็นยังไงเชริภพเพราะนจะต้องได้ข้อมูลในเรื่องว่าเทวดาเนี่ยประพฤติยัยงไงบ้างเทวดานั้นน่ะไปด้วยเหตุเท่าไหร่อะไรเป็นข้อห้ามอะไรเป็นเป็นข้อประพฤติอะไรเป็นข้อปฏิบัติแล้วจะปฏิบัติขนาดไหนจึงจะสําเร็จผลเนี่ยเพราะนั้นความรู้ในเรื่องนี้ต้องพอเพียงเขาเรียกว่ามีสุตตะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับการปรารถนาที่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่กุศลแล้วกันถ้าปรารถนาโดยที่มีข้อมูลอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้เนี่ยถ้าอย่างนี้นี่เป็นไปได้ครับ <จะ S 2> เฉา <พอ S 2> เป็นกุศลนะใช่ไหมครับคือกล้าเสียสละไหมสมมติถ้าจะเกิดเป็นเทวดาเนี่ยนะ ที่จะรักษากุศลกรรมบทสิทเนี่ยกล้าที่จะไม่ตกยุงไหมกล้าเสียสละแบบนี้ไหมคือคือในสละนี่มีอยู่สองอย่างนะจากะหนึ่งหนึ่งสละวัตถุภายนอกสองสละกิเลสภายใน น, นะสมมุติถ้าจะเจริญพรวิหารกล้าที่จะไม่โกรธไหมในลักษณะนี้เป็นเรียกว่าจากะแล้วก็วัตถุข้างนอกกล้าให้ไหมนี่เขาเรียกว่าจากะรู้สึกว่าจากะจะกว้างกว่าลึกกว่าทานนะครับจนพรลึกกว่า จาคาเป็นเรื่องของการเสียสละเสียสละได้ทั้งภายนอกภายในครับลแล้วก็สุดท้ายก็ยกปัญญาปัญญานั้นเป็นธรรมะที่มารอบรู้มารอบรู้ว่าเออนี้ศรัทธามาควบคุมศรัทธาอีกครั้งหนึ่งว่าศรัทธาเนี่ยถูกต้องไหมศีลเนี่ยเหมาะสมไหมสุตตะเนี่ยเพียงพอหรือยังจา่าคาเนี่ยสมควรไหมปัญญาเนี่ยรอบรู้เรื่องเหตุผลเหล่านี้จึงจะปรารถนาคุณธรรม ในเทวโลกเป็นต้นสําเร็จแต่ถ้าหากว่าปรารถนาในลักษณะปฏิบัติธรรมหรือวิปัสนาเนี่ยศรัท ธ, ธามั่นคงในพระตรัสรยขนาดไหนหนสองศีลจะตัว ป, ปริสุทธิศีลดีขนาดไหนสสุ ต, ตะสุตตะเนี่ยเรามีความเข้าใจในเรื่องอริยสัจขนาดไหนเพราะว่าบรรลุธรรมก็คือการบรรลุอริยสัจเรารู้เรื่องอริยสัจดีขนาดไหนพอที่จะเป็นหนทางปฏิบัติได้ไหมนี่เรียกว่า สุตตะสาจากะนะกล้า ส, สละอย่างอื่นใช่ไหมสมมุติว่าคล้ายๆกับเราจะมาฟังธรรมนี้เราก็ต้องกล้า ส, สละงานข้างนอกบางอย่างออกไปเพื่อที่จะมาฟังอย่างนี้ได้อันอย่างนี้เรียกว่าจากะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยปัญญาพอที่จะรอบรู้ในเรื่องวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยดังนั้นปัญญาตัวนั้นก็คือวิปัสสนาปัญญานั่นเองอันผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง5อย่างเหล่านี้ก็สามารถที่จะเป็น พาหัรได้หรือว่าปราถนาเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะไม่ได้แต่ในส่วนที่สำคัญตรงนี้เนี่ยท่านยกศรัทธาขึ้นมาเป็นเบื้องต้นก่อนซึ่งจะอธิบายต่อไปก็บอกว่าเพราะศรัทธานี้สามารถที่จะป้องกันทุกมีชาติชาราเป็นต้นแกผู้ปฏิบัติด้วยทุระคือศรัทธาย่อมยังความยากจนในคุณให้สงบนะไอ้ความยากจนก่อนๆเนี่ย คือจนด้วยอำนาจกิเลสเนี่ยก็จะสงบไปเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งรัตนะมีสติสัมโพชงเป็นต้นใช่ไหมอันศรัทธาเนี่ยเป็นปัดเป็นเหตุให้ได้รัตนะรัตนะคือโพชงเจ็ดสติสัมโพชง์วิริยะสัมโพชงสมาธิสัมโพชงปีติสัมโพชงอะ่ะอันโพชงเหล่านี้เนี่ยมีศรัทธาเป็นเป็นเหตุมันงั้นใช่และพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจ นะศรัทธาเนี่ยเพราะทำวิเคราะห์ว่าย่อมนำมาเส่งความสืบต่อในโลกตามพระบาลีว่าบุคคลผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลถึงพร้อมด้วยยศและโภคะจะอยู่จะไปที่ใดๆก็ย่อมได้บูชาในที่นั้นๆอ่าก็เพราะทรัพย์เครื่องปลื้มใจคือศรัทธานั่นแหละติดตามตนไปไปไแล้วก็เป็นของที่ไม่ทั่วไปแกคนอื่น ทรัพย์นี้เป็นทรัพย์พิเศษที่ไม่สามารถจะแบ่งให้คนอื่นได้ถ้าหากว่าเป็นสมบัติพ่อนะพ่อเนี่ยมีศรัทธาศรัทธาจะแบ่งให้ลูกแล้วลูกเอ้เอาไปหน่อยหนึ่งนะมีศรัทธาร้อลูกเอาไปคนละยีเปไม่เหมือนสตังนะมีร้อยหนึ่งจะแบ่งคนละยีบาทแต่ว่าศรัทธาไม่สามารถที่จะแบ่งกันได้หรือว่ายกให้คนอื่นก็ไม่ได้แล้วก็คนอื่นจะมาขโมยเอาไปก็ไม่ได้เขา ส, สิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าเป็นศรัทธานี่ก็เป็นหนึ่งในอริยทรัพพยย์์เเปป็นนรรรััอะสิฐ แล้วก็ศรัทธานี่ก็เป็นเหตุแห่งสมบัติทั้งกววงเป็นต้นเหตุแม้แห่งทรัพย์เครื่องปลื้มใจมีเงินและทองเป็นต้นที่เป็นโลยะใช่ไหมศรัทธาเนี่ยนะเป็นเหตุให้ได้เงินได้ทองด้วยนะถามว่าเป็นยังไงเพราะคนมีศรัทธาเท่านั้นทําบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นแต่คิดนะว่าผู้ที่มีทรัพย์สมบัติในโลกอยู่ทุกวันเนี่ยส่วนหนึ่งเข้ามาจากศรัทธาของเขาซึ่งเขาได้เคยทําเหตุไว้ส่วนหนึ่งนะ อย่าลืมว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมคําสอนจะต้องรู้ว่าปัจจัยที่ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัจจัยเดียวใช่ไหมศรัทธานี้เป็นปัใจจัยให้ทํากุศ ล, ลกรรมเรียกว่าเป็นกรรมะปัจจัยกรรมปัจจัยที่จะให้ผลได้ก็ต้องอาศัยปกตูปนิสยาปัจจัยที่เรียกว่าประโยคะด้วยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยขยันเท่ากันแต่ทําไมไม่ได้สตังเท่ากันองงั้นเราก็รู้ว่าเออสิ่งเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็มาจากกรรมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้น คนที่มีศรัทธาก็จะทําบุญมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นแล้วก็บรรลุถึงทรัพย์เครื่องปลื้มใจส่วนทรัพย์เครื่องปลื้มใจของคนไม่มีศรัทธาย่อมเป็นไปเพื่อความชีพหายเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าทรัพย์เนี่ยเป็นสิ่งศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดและอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องศรัทธาก็ยังไม่อยากให้ผ่านไปน่าจะฟังพระสูตรสักสูตรหนึ่งที่ที่พระองค์ได้ตรัสถึงศรัทธา ข้อความในศรัทธานิสังศักดิสูตรอังคุตรนิกายปัญจาการนิบาตโปองตรัสว่าดูก่อนที่สูตทั้งหลายกุลบุตผู้มีศรัทธาย่อมมีอา น, นิสงส์5ประการด้วยกันใครใครมีศรัทธาเนี่ยนะหวังอา น, นิสงส์5อย่างได้ปุการดูมีหรือเปล่าห้าประการเป็นไฉนคือสัตบุรุษผู้สงบในโลกทุกๆ ท, ท่านเมื่อจะอนุเคราะห์ย่อมอนุเคราะห์ผู้มีศรัทธาก่อนผู้อื่น ย่อมไม่อนุเคราะห์ผู้ไม่มีศรัทธาก่อนผู้อื่นศัตว์บุรุษก็คือพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยถ้าจะช่วยเหลือใครก็ต้องช่วยเหลือคนมีศรัทธาก่อนเป็นอันดับแรกนะเรียกว่าโชคอันดับแรกนะมีสิทธิ์ลุ้นโชคชั้นที่หนึ่งต่อไปสองศาตว์บุรุษในโลกเนี่ยถ้าจะเข้าไปหาย่อมเข้าไปหาผู้มีศรัทธาก่อนผู้อื่นย่อมไม่เข้าไปหาผู้ไม่มีศรัทธาก่อนผู้อื่นศาสตว์บุรุษในโลกเมื่อจะต้อนรับ ย่อมต้อนรับผู้มีศรัท ธ, ธาก่อนผู้อื่นย่อมไม่ต้อนรับผู้ไม่มีศรัท ธ, ธาก่อนผู้อื่นเ ม, มื่อาจะแสดงธรรมย่อมแสดงธรรมแก่ผู้มีศรัท ธ, ธ, ธ, ธ, ธ, ธาก่อนผู้อื่นย่อมไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่มีศรัทธาก่อนผู้อื่นและก็ข้อสุดท้ายข้อ5านะกุลบุตรผู้มีศรัท ธ, ธาเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นะ้าข้อข้อหนึ่งนะเมื่อจะอนุเคราะห์ 2. เมื่อจะเข้าไปหาสามเมื่อจะต้อนรับสเมื่อจะแสดงธรรมก็แสดงธรรมแก่คนมีศรัทธาสุดท้ายเมื่อตายไปก็ถึงสุคติโลกสวรรค์ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายกุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมมีอานิสงส์หประการนี้แลดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นสายใหญ่ที่ทางสี่แยกมีพื้นราบเรียบย่อมเป็นที่พึ่งของพวกนกโดยรอบฉันใด บทผู้มีศรัทธาก็ฉะนั้นเหมือนกันย่อมเป็นที่พึ่งของชนเป็นอันมากคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผมก็รัะเป็นคาถาว่าต้นไม้ใหญ่สล้างด้วยกิ่งใบและผลเป็นลำต้นแข็งแรงมีรากมั่นคงสมบูรณ์ด้วยผลย่อมเป็นที่พึ่งของนกทั้งหลายฝูงนกย่อมอาศัยต้นไม้นั้นซึ่งเป็นที่รื่นรมใจให้เกิดสุข ผู้ต้องการความร่มรื่นต้องการความร่มเย็นย่อมเข้าไปอาศัยร่มเงาผู้ต้องการผลก็ย่อมเข้าไปบริโภคผลได้ฉั้นใดต้นไทรที่มีผลดกร่มเงาเย็นสนิทเนี่ยนะท่านผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะไม่มีอาสวะเป็นบุญญเขตในโลกย่อมคบหาบุคคลผู้มีศรัทธาซึ่งสมบูรณ์ด้วยศีลประพฤติถ่อมตนไม่กระด้างสุภาพอ่อนโยน มีใจมั่นคงฉะ น, นั้นเหมือนกันท่านเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงแกเ่เขาเขาเข้าใจทั่วถึงธรรมะนั้นแลว้วย่อมเป็นผู้หมดอาสาวะปรินิพานนี้สูตรหนึ่งก็เป็นอนิสงค์ของผู้ที่มีศรัทธานั้นผู้ที่มีศรัทธาก็สามารถที่จะได้รับคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เพราะพระองค์จึงตรัสว่าศรัทธานี่แหละเป็นเป็นอะไรเมื่อกี้ เป็นซับเครื่องปลื้มใจในโลกวะงะทีนี้ที่บอกว่าทําไมจึงบอกว่าเป็นของบุรุษใช่ไหมเป็นรับเครื่องปลื้มใจของบุรุษคําว่าบุรุษนั้นเป็นคํากําหนดอย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นเพิ่งทราบว่าศรัทธาของบุรุษอย่างเดียวเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐ ท, ที่สุดหาหาประมาณไม่ได้ศรัทธาของคนทั้งหลายมีสตรีเป็นต้นก็เป็นทรัพย์เครื่องเปลื้มใจอันประเสริฐ ท, ที่สุดเหมือนกันแล คือไม่ใช่เฉพาะผู้ชายแต่ว่ า, าคำว่าผู้ชายเนี่ยเป็นประธานแห่งการแสดงวหางอนกนเถอะทีนี้ต่อไปอีกข้อหนึ่งท่านว่าไงธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้คำว่าธรรมโมได้แก่ธรรมะคื อ, อนะล็อกไว้เลยกุศลกรรมบทสิบอย่างหรือ ทานศีลภาวนานะคำว่าทำตรงนั้นเนี่ยธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ได้แก่กุศลกรรมบทหรือทานศีลภาวนานั่นเองคำว่าสุจินโนเนี่ยก็คือประพฤติดีแล้วทำดีแล้วสุขมาวหาติความว่าย่อมนำมาซึ่งสุขของมนุษย์เหมือนสุขของโสนเศถีบุตรหรือว่ารัฐบาลกุลบุตรเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่า ทิพยสุขเหมือนสุขของทวยเทพมีเท้าสักกะเป็นต้นและในที่สุดย่อมนำมาซึ่งนิพพานสุขเหมือนสุขของพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระมาหาปทุมเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้อย่างนี้แหละทีนี้ต่อไปบอกว่าสัจจะเลเป็นรถยังประโยชน์ให้สําเร็จกว่ารถทั้งหลายสัจจะก็คือความจริงนั่นแหละเป็นรถที่ ดีประเสริฐเลิศมากเหมือนนเถอะทีนี้คําว่าสัจจะนี้เราเคยได้ยินว่าสัจจะมีหลายความหมายด้วยกันนะสัจจะบางอย่างก็เป็นเรียกว่าวาจาสัตจความจริงแบบเหมือนวาจาสัตจอย่างสองก็วิรัตสัจวิรัตสัจจะแล้วก็ทิฏฐิสัจจะพรามณะสัจจะหรือว่าปรมัตทสัจจะหรืออริยสัจจะเนี่ยไอคำว่าสัจจะอยู่ข้างหลังข้างหลังเนี่ยที่จริงมีหลายความหมายมากแต่ในที่นี้ก็มุ่งเอาที่วาจาสัต์ ประมาทสัจจะและวีรัสสัจจะนั่นแหละเพ้นสัจจวาจานี้สามารถที่จะทํากำจัดพิษได้บางันเถอะบุคคลย่อมทดน้ําด้วยสัจจวาจาบัณฑิตทั้งหลายย่อมกําจัดแม้พิษได้ด้วยสัจจะเทพทั้งหลายลั่งน้ํานมด้วยสัจจะบัณฑิตทั้งหลายดํารงอยู่ในสัจจะย่อมปรารถนานิพานรรถเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่ในแผ่นดินสัจจะ เที่ยวดีกว่ารถเหล่านั้นสมณะและพราหมณ์ดํารงอยู่ในสัจจะย่อมข้ามฝั่งแห่งชาติชรามรณะได้คือ ถ, ถ้าเราฟังเฉยๆนะฟังผิวเผินนะสัจจะให้เขาคิดเป็นเรื่องของวาจาอย่างเดียวใช่ไหมครับเจนพายแต่จริงๆแล้วนี่นะสัจจะนี่กว้างกว่านั้นเลยนะกว้างกว่ากว้างกว่าเจนพายเช่นสัจจะบารมีนี่นะฮะเจไม่ใช่เพียงแต่ประพฤติทางวาจิตสุจริตยอย่างเดียวใช่ไหมครับเออ ความจริงใจความจริงจังความมันบอกไม่ถูกนะครับจริงหลายอย่างแต่ที่สําคัญเน้นมากในอย่างในสัจจะบา ร, รมีก็เน้นที่วาจาสัตนั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีพวกวิรัติสัจจะ ด, ด้วยนะใช่ไหครับวิรัติสัจจะก็บอกว่าสมณะพราหม์ตั้งอยู่ในความสัจไงก็คือเป็นวิรัติเท่าสัจจะที่จะประพฤติอย่างไรก็ ประพฤติอยู่ตามนั้นอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าอย่างนี้เนี่ย น, นะฮะก็ก็ก็เห็นด้วยนะครับเจนพานคือไม่ใช่จว่าวาจาสัตว์อย่างเดียวสมมุติว่าถ้าเราพูดกับตัวเราเองนะ บ, บอกต่อไป น, นี้นะเราจะให้เวลาในการศึกษาทุกวันเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ต้องทําตามที่เราตั้งใจไว้เงั้ย น, นะเป็นสัจจะไหมครับเป็นเจนพ <ผม S 2> นานผมยังเคยนึกเลยนะฮะว่าเออสัจจะบารมีนี่นะฮะถ้าหากว่าเราตั้งใจจะทํากุศล แล้วเราทําไม่ได้อย่างที่เราเราเราให้สัญญากับตัวไว้เนี่ยนะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยสัจจะก็จะไม่เป็นบารมีก็กยังไม่มีกําลังมาก ไ, ม, ไม่มีกําลังใช่ไหมฮะแต่ก็คือที่ตั้งใจเนี่ยดีแล้วละ่ะแต่ว่าวิธีการยังไม่พอก็ต้องไปเพิ่มที่วิธีการคล้ายๆกับว่าเจตนาที่ตั้งไว้เนี่ยดีแล้วแต่ก็ต้องไปปรับเาว่าวิธีการที่จะให้สําเร็จผลอันนั้นเนี่ยก็ไปศึกษาให้อีกครั้งหนึ่ง นั่นแหละว่าสามารถตัดต่อส่วนไหนได้บ้างเพื่อที่จะให้สมกับที่ได้ตั้งเอาไว้นั่นแหะที่เหลือก็อยู่ที่วิธีการเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยพอตั้งสัจจะเสร็จแล้วก็ไม่สามารถจะทําได้เสร็จแล้วก็ทอ้อไม่เป็นไรตั้งไว้เนี่ยดีแล้วนะแต่ว่าทํำยังไงก็ที่เราจะทําได้เหมือนเช่นผู้ที่สมาทานศีลเนี่ยหรือเป็นพระเนี่ยก็ปฏิญาณตนว่ารักษาพระวินัยใช่ไหม mm. บอกว่าวินัยที่พระองค์ทรงสแสดงก็สมาทานประพฤติทั้งหมด แต่ถ้าถามว่าแต่แล้วล่วงละเมิดไปแล้วจะทํำยังไงอ่ะพุทธเจ้าบอกก็ทําคืนแต่ตั้งใจสังวรสํารวมระวังต่อไปเพราะฉนั้นส่วนนั้นเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าเต้ตั้งแล้วทําไม่ได้สมาทานศีลวันนี้ปาณาติปาตาเช้าเผลอมาตบยุงเลยเสร็จแล้วตั้งใหม่นะเอามันแล้วกว่าแล้วไปแล้วจะทํายังไงอ่ะบาปก็บาปไปแล้วอ่ะไปข้ามควรไปเสียใจโอ๊ยฉันนี่ไม่ดีเลยบาปไปแล้วเอาบาปก็บาปไปแล้วอ่ะนอกจากจะทําบุญใหม่เท่านั้นเอง ดูเหมือนว่าสัจจะที่เรากระทำกับบุคคลอื่นนี่นะฮะเราพยายามที่จะรักษาสัจจะโดยที่ว่าเราเกรงกลัวคารหาก็ดีนะฮะเราเราอายคนอื่นก็ดีนะฮะ<ช>แต่ว่าถ้าเป็นสัจจะให้กับตัวเองนะฮะแล้วเราทำได้ผมผมเชื่อว่ายากกว่ายากกว่าอันแรกนะเจน แต่ถ้าระยะหนึ่งนะถ้าตั้งไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะทําได้แต่ในขณะเดียวกันนี้ก่อนจะตั้งอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือศึกษาให้มันรอบคอบก่อนเดี๋ยวบางอย่างเนี่ยไปตั้งสัจจะในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือสัจจะบางอย่างนะถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีเหมือนกันเช่นสัจจะในหมูโจรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ไม่ต้องไปมั่นคงขนาดนั้นหรอกทาบนี้จะต้องค่ายคนนี้ให้ได้นี่เป็นวาจาฝักไอสัตว์แบบนี้เปลี่ยนได้สัจจะแบบนี้นะควรเปลี่ยน ก็มันเป็นสัจจะบารมีถ้าจะเอากุศลมันรวมยังไงอ่ะเขามีบางท่านนะเขาบอกว่าเอ๊ะมันสัจจะจะเอาให้มันสัจจะหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ไปว่าเอ๊ะนะสัจจะในหมู่โจรอะไรเงี้ยก็วางแผนไว้เลยมันจะต้องฆ่าให้ได้ถ้าไม่ไม่ใช่นะแล้วก็จะไปด่าคนให้ได้นี่นี่เป็นสัจจะของชั้นอย person, er? ่างเงี้ยสัจจะแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนได้ก็ควรเปลี่ยนซะมันจริงเหมือนกันแต่ว่ามันก็ตกนรกจริงเหมือนกันนะนั่นแหละ